RMUT Talk สวัสดีค่ะคุณบบังค่ะตอนรับเข้าสู่ RMUT Talk ทค่ะวันนี้เจอกันนะคะดิฉันอาธิตยาปกะธานัางรับหน้าที่ในการดำเนินรายการค่ะเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะคะเป็นโครงการเป็นงานดีกว่านะคะต้องเรียกว่าเป็นงานใหญ่เลยล่ะสำหรับงาน มอมหิดลคนรักสัตว์ครั้งที่15นะคะซึ่งจะมีขึ้น 12-13 มกราคมสองพค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันกับหนึ่งในกิจกรรมของงานนะคะนั่นคือการประกวดสุนัขพันธุ์ทางชิงทั่วพิชทานครั้งที่15และวันนี้ดิฉันได้รับเกียรติจากอาจารย์ดรสัตวแพทย์หญิงสัตยธรรุ่งอรุณเรศอาจารย์ประจําคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สัตยธรค่ะ สวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเป็นหนึ่งในกิจกรรมนะคะของงานมอมหิดนคนรักสัตว์ครั้งที่15นะคะกับการประกวดสุนัขพันธุ์ทางชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่15ชื่อกขาบอกแล้วงานนี้นะคะครั้งที่15แล้วแต่ว่าอยากให้อาจารย์ได้แนะนํากันนิดนึงนะคะว่าในแรกเริ่มของการจัดกิจกรรมการประกวดสุนักพันธุ์ทางนี้มีจุดเริ่มต้นมายังไงบ้างอะคะค่ะคือแรกเริ่มนะคะเนื่องจากว่า เดี๋ยวนี้ค่ะประเทศไทยมีปัญหาสุนัขซอนสัดเยอะเป็นอย่างมากเราก็สุนัขซอนสัดเนี่ยก็ได้ก่อปัญหาอย่างมากเลยเช่นสุนักกัดคนปัญหาโรคพิษสุนักบ้า ท, ที่แพร่ระบาดทั้งนี้เนี่ยสุนัขซอนสัดที่เราพบเห็นเป็นส่วนใหญ่อะค่ ะ, คะก็จะเป็นสุนัขพันธุ์ทางซึ่งเกิดจากเจ้าของเนี่ยไม่อยากเลี้ยงดูแล้วก็มีการทิ้งขว้างเกิดขึ้นซึ่งถ้าตามหลักจริงๆแล้วอะคะ่ะถ้าเจ้าของเอามีความรักมีความเอาใจใส่แล้วก็ฝึก สุนัขพันทางเหล่านี้ที่ดีเนี่ยสุนัขพวกเนี้ยก็มีความสามารถแล้วก็มีความฉลาดที่ไม่แพ้สุนัขพันแพ้เลยค่ะดังนั้นคณะสัตวแพทย์มหาคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้เห็นความสําคัญของสุนัขพันธุ์ทางขึ้นว่ามีความน่ารักแล้วก็มีความฉลาดความสามารถไม่แพ้กับพันแพ้จึงได้จัดการประกวดสุนัขเพื่อดูความสามารถแล้วก็ดูสุขภาพให้ประชาชนทั่วไปอ่ะค่ะ แล้วก็บุคคลที่สนใจให้เห็นความสําคัญของสุนัขพันธุ์ทางค่ะค่ะในการประกวดครั้งนี้นะคะ<ม>อย่างที่เราบอกกันก็คือเป็นพื้นที่เวทีสําหรับน้องๆสุนัขพันธุ์ทางเท่านั้นนะคะค่ะส<ำ>ําหรับน้องๆที่เข้ามาร่วมประกวดค่ะอาจารย์คะเราเรามีคุณสมบัติหรือว่าลักษณะยังไงบ้างที่สามารถเข้าร่วมการประกวดได้อะคะ่ะคืออันดับแรกสมบัติแรกนะคะที่สําคัญที่สุดคือต้องเป็นสุนัขพันธ์ทางค่ะเราก็เรื่องอายุเนี่ยไม่ไม่มีปัญหาค่ะประกวดได้ทุก อายุเลยเรามาประกวดร่วมกันค่ะซึ่งประเภทของการสมัครเนี่ยจะมีสองประเภทค่ะก็มีสุนัขเ e ลที่ด d อก ซึ่งมีสุนัขเป็นสุขสุขภาพดีและอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นสุมาสมาดอกซึ่งเป็นสุนัขที่มีความสามารถพิเศษซึ่งผู้เข้าร่วมประกวดเนี่ยสามารถเลือกได้ประกวดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเลือกทั้ง2 อ, อย่างก็ได้เลยค่ะไม่มีปัญหาอะไรค่ะค่ะทั้งสุขภาพดีด้วยหรือว่าจัดสามารถพิเศษด้วยก็ได้คือถ้าเกิดว่าพามาหนึ่งว<า>ัน <คะ S 1> ในในงานนี้เนี่ยสามารถจะเลือกได้ทั้ง2ประเภทเลย นะะถ้าเกิดว่าสามารถประกวดได้ทุอย่างเลยนะคะถ้าเกิดว่าน้องมาของเราเนี่ยนะคะมีความรู้อ่ามีมีเครแสนรู้นะคะมีแสนรู้ด้วยเราก็เออเรีว่าสุขภาพดีด้วยนะคะในทุกๆปีที่ผ่านมาค่ะจันค่ะที่ที่เรามีการจัดการประกวดเองผลฟีดแบ็ที่เกิดขึ้นมีผู้ที่นําสุนัขพันธุ์ทางมาร่วมประกวดเยอะไหมคะก็เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีค่ะก็ตอนนี้ก็ประมาณยี่สิบกว่าตัวแล้วค่ะยี่สิบถสามสิบตัวต่อต่อปีค่ะ ค่ะสําหรับความสามารถพิเศษของสุนัขพันธุ์ทางเองที่ในในงานเองในทุกๆปีที่เขานํามาประกวดกันนะคะมีความต่างหรือว่ามีความพิเศษกว่าสุนัขที่เขานิยมกันยังไงมั่งอะคะอาจารย์จริงๆจะบอกว่าต่างไหมก็คือไม่มีความแตกต่างคะ่ะหมายความว่าเราอ่ะจะให้สุนัขพันธุ์ทางเนี่ยมีความน่ารักแล้วมีความสามารถพิเศษเทียบ เ, เท่ากับสุนัขพันธ์แท้เลยนะคะแล้วก็สุนัขพันธุ์ทางที่สามารถมาแสดงความสามารถอะคะ่ะ ก็ที่เท่าที่เห็นนะคะก็มีทั้งสามารถว้ได้สามารถนอนหมอบคานหยิบเอาของยังได้เลยบางตัวเนี่ยโชว์ความสามารถพิเศษเหลากหลายเลยค่ะแล้วแต่ตัวว่าเจ้าของอสอนอะไรบ้างค่ะบางตัวแก้งล้มตายก็ยังมีค่ะยิงปืนแล้วก็ลม้มแก้เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าความสามารถพิเศษเนี่ยค่ะเราะจะให้แสดงความสามารถพิเศษของสุนัขที่ไม่ขัดต่อหลัก สวัสดิภาพสาัตว์หมายความว่าการแสดงของสัตว์เนี่ยจะต้องไม่เป็นอันตรายกับตัวสัตว์เองเช่นสุนัขสามารถเชื่อฟังคําสั่งเจ้าของได้หยิบของได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ, อันนี้คือความสามารถพิเศษของสุนัขแต่ว่าถ้าเป็นสุนัขที่เดินตามรวดไตเดินบนขวดแก้วอันเนี้ยค่ะผิดหลักสวัสดิภาพสัตว์เพราะว่าปกติ สุนัขพวกเนี้ยสุนัขทุกตัวค่ ะ, คะไม่ควรจะต้องทําอะไรที่ตอนฝึกและเป็นอันตรายต่อตั ว, ตวสัตว์เองดังนั้นความสามารถพิเศษที่สามารถเข้ามาแสดงให้เราเห็นจะต้องไม่ขัดต่อนหลักสุจริตภาพสัตว์ค่ะอืมก็แสดงว่าเราจะต้องมีการลงทะเบียนแล้วก็ต้องระบุใช่ไหมคะว่าการนําเสนอ ค, ความสามารถพิเศษในครั้งนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้าง ะะ<ช>เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องของความเสี่ยงนะค ะ, คะผู้ฟังที่จ ะ, ะนําสุนัขพันธุ์ทางมาประกวดนะคะไม่ได้เด็ดขาดนะคะไม่ได้เด็ดขาดค่ ะ, คะเพราะว่าตอนนี้เราถือหลักสวัสุิภาพสัตว์เป็นสําคัญสัตว์จะต้องมีความสุขทั้งความสุขของส่วนตัวแล้วก็ความสุขกับเจ้าของด้วยค่ะค่ะสําหรับขั้นตอนนะคะอาจารย์ขั้นตอนการรับสมัครค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันเวลาการเปิดรับสมัครของเราอะค่ะ ค่ะจริงๆสามารถรับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะคะสามารถติดต่อมาที่คณะแพทย์มหิดลได้เลยจนถึงวันอาทิตย์ที่13มกราคมค่ะซึ่งสามารถซึ่งวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์นะคะเราะจะมีกิจกรรมโดยเฉพาะวันเสาร์เนี่ยจะต้องมีทดสอบอานิสัยดีก่อนออืสุนัขทุกตัวที่เข้าประกวดจะต้องผ่านด่านของสุนัขนิสัยดีก่อนค่ะซึ่งมีทั้งหมดหกด่านด้วยกันค่ะ Uh. ก็คือด่านแต่ละด่านเนี่ยด่านที่สำคัญนะคะก็คือจะต้องไม่กัด uh huh. ไม่กัดแล้วก็ไม่กัดทั้งคนที่ตรวจร่างกายแล้วก็ไม่กัดทั้งสุนัขที่มาร่วมการนะคะแล้วก็สามารถเดินในสายจูงได้อันนี้สำคัญค่ะเพราะว่ามันจะก่อนขั้นตอนในประกวดจะต้องมีสัตวแพทย์ตรวจสุขภาพสัตว์ด้วยดังนั้นถ้าสุนัขกัดเนี่ย จะเป็นอันตรายทั้งเจ้าของแล้วก็สุนัขข้างเคียงรวมทั้งสัตวแพทย์ที่ทำการตรวจร่างกายค่ะนะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นมิตรกับคนอื่นด้วยนะะสุนัขที่จะมาร่วมคนใช่ค่ ะ, ะ, คะแล้วก็สามารถลงทะเบียนทดสอบหมานิสัยดีได้นะคะในวันเสาร์ที่12มกราคม2562เนี่ยทั้งวันเลยค่ะตั้งแต่9โมงเชา้าถึงบ่าย3โมง ส่วนวันอาทิตย์เราก็มีนะคะวันอาทิตย์ที่13มกราคมค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงส่วนตอนประกวดนะคะจะเริ่มตั้งแต่ตอนเที่ยง45ค่ะอืมนะคะงานนี้นะคะที่คณะสัตวแพทยศาสาตร์นะคะมหาว ah. ิทยาลัยมหิดลวิทยเขตสาลยานะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์ตามที่ระบุไว้ใช่ไหมคะจานคะ024415242ต่อ11544 นะคะเบอร์นี้ที่สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะนอกจากนี้ค่ะนอกจากกิจกรรมที่อาจารย์แนะนําเราในวันนี้กับการประกวดสุนัขพันธุ์ทางชิงทั่วดพัชทานแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องราวของงานอื่นๆซึ่งมีบรรดาศัตว์เยอะแยะมากมายเลยอยากให้อาจารย์แนะนําผู้ฟังนิดนึงว่าเรามีการประกวดอะไรบ้างค่ะค่ะงานนี้นะคะมีงานประกวดทั้งแมวแล้วก็สัตสัตว์ประหลาดค่ะมีการแข่ง ระหว่างกระต่ายกับเต่าว่าใครเดินได้เร็วกว่ากันด้วยนะคะสามารถเอากระต่ายมาแข่งเดินเร็วเทียบกับเต่าได้เลยค่ะแล้วก็มีสัตว์หลายชนิดมีม้าในงานที่สามารถให้เด็กแต่ละคนที่สนใจเข้าไปวิ่งเล่นได้เลยค่ะอ่านะคะแล้วก็มีสัตว์โชว์เต็มไปหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยงานเนี้ยเป็นงานทีอ่อถ้าเกิดของประกวดนักพันทางนะค ะ, คะไม่ใช่แค่ถ้วย ธรรมดาอันนี้เป็นช่วยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทลเทพพยาวรางกูลเลยค่ะของรัชกาลที่สิบของเราเลยค่ะไม่ใช่ถ้วยแบบอืมนะไม่ใช่ถ้วย ถ้วยรางวัลปกตินะคะแต่ว่าเป็นถ้วยพระาช<ร><ร>ทา น, ทานเลยทีเดียวนะคะงาน<ร>นี้ถ้วยพราชทานเลยทีเดียวค่ะอ่านะคะใครสนใจอย่าลืมนะคะอย่างที่อาจารย์ได้แนะนํากันไปนะคะว่าเราจะมีการรับลงทะเบียนนะคะน้องๆสุนัขพันธ์ทางกันในการประกวดสุนัขพันธ์ทางนะคะในวันเสราร์ นะฮะและก็วันอาทิตย์ถึงช่วงเวลาเที่ยงและก็จะมีการประกวดจริงๆก็คืออาทิตย์ที่13มมกราคม2562นองะคะค่ะนอกจากนี้นะคะในในเรื่องของการติดตามราคาช่องทางการติดต่อหรือว่าหลายๆท่านบอกว่างานที่เราพูดถึงเนี่ยมีการจัดการประกวดอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะจานเราสามารถติดตามช่องทางไหนได้คะสามารถเข้าที่ Facebook ของคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลได้เลยค่ะค่ะเซิร์ชตามชื่อเลยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะคะณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณ ค, ค่ะอาจารย์ดรสัตวแพทย์หญิงสัชิธรรุ่งอรุณเลิศอาจารย์ประจําคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่ให้เกียรติในการมาพูดคุยแล้วก็แนะนํากิจกรรมดีๆคือการประกวดสุนัขพันธุ์ทางชิงถ้วยพัชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาราลงกรณบดินทรเทพยุวรางกูลนะคะ<ม>ขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์คะ ค่ะขอบพระคุณมากนะค ะ, คะและ้วจะเจอกันค่ะได้ ค, ค่ะสวัสดีค่ ะ, ค ะ, คะยังมีครั้งหนึ่งนะคะงานนี้นอกจากการประกวดสุนักพันธุ์ทางนะเป็นพื้นที่ที่ให้เจ้าของสุนัขพันทางเนี่ยได้นําสุนัขของตัวเองเชเรามองว่าเอ๊ะเราเลี้ยงสุนักพันธุ์ทางนะเราไม่ได้เลี้ยงสุนักแบบพันธุ์ฝรั่งหรือว่าพันุ์นิยมนะแต่ว่า น้องๆเหล่านั้นนะคะก็มีความฉลาดแล้วก็สามารถที่จะทำกิจกรรมหรือว่ามีความแสนรู้ในตัวแล้วก็อยากจะนำเสนอเรื่องราวนี้นะคะก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะที่คณะสัตวแพทยศาสต ร, ร์ ม, มหามมหวิทยาลัยมหิดลวิทยเขตสรยาค่ะในช่วง 12-13 มกราคม2562นะคะ12มกราคมวันเสาร์เขาจะมีการลงทะเบียนแล้วก็ตรวจเรื่องของ ขุนนิสัยนะของสุนักว่าเชื่องหรือไม่อะไรยังไงนะคะโซ่สิบสามมกราคมนี้เขาก็จะมีการตรวจในช่วงเช้าแล้วก็ในช่วงบ่ายจะเริ่มการประกวดนะคะซึ่งสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจเฟ e บุ๊กคณะสัตวแพท ย, ยศาสตร์มหวาวิทยาลัยมหิดล ก็เข้าไปดูข้อมูลกันค่ะเพราะว่านอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการประกวดอีกมากมายเลยทีเดียวในงานนี้นะคะมอไม่โดนคนรักษัตร์ครั้งที่15ค่ะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่เรานำมาพูดคุยกันนะคะใน RMUT Talk ค่ะไปติดตามรับฟังรายการกันต่อกับรายการจากราชมงคลค่ะ